กระทั่งล่าสุดเกิดปรากฏการ์ขึ้นมาอย่างหนึ่งคือหลังจากเพียนประคองกระแสโสมนัตในจิตที่แผ่กว้างออกไปเบื้องหน้าก็ตกพวังวูบคล้ายคนจมน้ำโดยไม่รู้สึกตัวแล้วกลับทะลึ่งพรวดขึ้นเหนือผิวน้ำใหม่รับรู้ถึงอากาศเหนือน้ำที่สดใสและโปร่งว่างผิดปกติเหมือนมีรอยยิ้มผนึกแน่นอยู่กับดวงจิตที่ตั้งมั่นไม่เคลื่อน